<Book> 43. ตัวจิตุระชืะ่ตัวิตุ ร, ชระชรที่สวนสัตว์ The Parkum t h p a r k m วนสัตว์อยู่ที่นั่น t Parkum ดช ザิรยีราฟอยู่ตรงนั้นจิราฟฮมิ ร, ร์มดชอมีอยู่ที่ไหนมทดิมทดชิทด ช, ช้างอยู่ที่ไหน ปลื้รติทิชอคลรอคงูอยู่ที่ไหนบลครับทิชอคบลคทอคสิงโตอยู่ที่ไหนอสัคับทิอัครอสัญครทอค ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปเฟตาอ์เียฟตอุ ป, ปรณ์สดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยเวิดีโอคเมเวิดีโอมรสสอเมรสดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนแบตเตอรี่เกิทีด่ดื บตตรีกรท๊อเดชนกเพนกวินอยู่ที่ไหนพิงวินฮร์ทเดชอกพิงวินฮร์ท๊อเดช์อ็จิงโจอ้อยู่ที่ไหนคิงกูรูฮร์ท๊อเดชอคิงกูรูฮร์ทเดชอแรดอยู่ที่ไหน พบจอคหรทดชอหบจอคหรดชอ้องน้ำอยู่ที่ไหนชากุยิปอทดชชากุยิปอดชมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นกาแฟมาราร์กาฟมราร มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นริสตารนอร์มรารริสตา ร, รอรมรารอูดอยู่ที่ไหนมักชคครทชิอมัร์ทดชิอ็กกอลิล่าและม้าลายอยู่ที่ไหนกริลมรเซบรามราทดชิอ กิ р, ры, р ры, ды, и ลเล่ м р ы ร е ซ р บรเ м р รที д เ ши เเสือและจระเข้อยู่ที่ไหนกับสัรอาครที่เกับสันเรอาครที่เด